เรื่องพระฉับ พ, พักีใช้ลูกทวินสมัยนั้นพวกภิกษุฉับ พ, พักคีใช้ลูกทวินชนิดต่างๆทำด้วยทองทำด้วยเงินคนทั้งหลายตำหนิประนามโผนทนาว่าเหมือนฆรห์สผู้บริโภคกรรม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 ทำด้วยงาทำด้วยเขาสัตว์ทำด้วยไม้ อ, อ้อทำด้วยไม้ไผ่ทำด้วยกระดองสังทำด้วยเส้นได้